ความหลังในสังสารบทที่สิบสองความลับที่ถูกเปิดเผยอาจารย์สามคนลากลับไปแล้วท่านพระครูนำเงินสองแสนบาทขึ้นไปเก็บที่ชั้นบน พรุ่งนี้จะต้องใช้1นึ0งแสนต่อจากนั้นอีกสิบสี่วันก็จะใช้อีกหนึ่งแสนเป็นการใช้นี่กรรมระหว่างเจ้าของเงินกับผู้รับและระหว่างผู้รับกับท่านซึ่งมีความเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเจ้าของเงินกับผู้รับยังต้องมีอนาคตชาติคือชาติหน้าออก แล้วก็ยังต้องเดินทางชีวิตกันต่อไปเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั้งหลายที่ต้องเป็นไปตามกรรมเว้นเสแต่ว่าพวกเขาจะทําความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ย่อหย่อนไม่หยุดเสกกลางคันถึงจะถึงจุดหมายไม่ต้องเดินทางอีกต่อไปนายขุนทองถือย่ามเดินตามท่านไปยังหอประชุมเมื่อท่านเดินเข้าประตูด้านข้าง แม่พินนำผู้ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลเสร็จพอดีท่านเดินไปยังโต๊ะหมโบชาแม่พินบอกผู้ปฏิบัติธรรมให้คุกเข่าและประนมมือเมื่อท่านกราบพระรัตนตรัยเสร็จและเดินไปนั่งยังอาศนะแล้วแม่พินจึงบอกให้ผู้ปฏิบัติธรรมให้กราบพระอาจารย์สามครั้ง ท่านกว่าสายตาไปดูผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนมีใบหน้าแช่มชื่นเพราะได้ลิ้มลองรสแห่งพระธรรมอันเป็นอมตะรสกันบ้างแล้วแม่เชิญสีและมารดานั่งแถวหน้าสายตาของสองแม่ลูกที่มองมาอย่างท่านเปล่งประกายแห่งความหวังคือหวังที่จะให้ท่านช่วยท่านจึงเริ่มบรรยายธรรม ขอเจริญพรแด่ญาติโยมศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดขัดข้องเพราะความดีกับความชั่วในตัวท่านกำลังต่อสู้กันท่านทั้งหลายมาที่วัดนี้ก็เพื่อมาสร้างความดีใช่หรือไม่ท่านจะสร้างความดีได้ก็ต้องละความชั่วเสียก่อนถ้าละความชั่วไม่ได้ ก็ไม่สามารถจะสร้างความดีได้เพราะความดีกับความชั่วเป็นคนละขั้วกันละความชั่วก็คือศีลที่ท่านสมาทานไปเมื่อตอนบ่ายโมงท่านสมาทานศีลแปที่เรียกว่าอัตศีลอัตแปลว่า8เพิ่มจากปัญจศีลหรือว่าศีลห้ามาสข้อคือข้อ6เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการ คือหลังจากเที่ยงไปแล้วข้อ7เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่ประดับตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาข้อ8เว้นจากการนั่งนอนเหนือที่นอนอันสูงและที่นอนอันใหญ่ภายในมีนุ่นและสำรีนี่ คือที่เพิ่มจากสีลห้ามาสามข้อส่วนข้อสามของสีลแปดจะต่างจากข้อสามของสีลห้าข้อสามของสินห้าว่าอย่างไรนะแม่พินท่านเจาะจงถามแม่พินเพราะถ้าถามผู้ปฏิบัติธรรมก็จะแย่งกันตอบทาให้เอกะเริกไปไม่เข้ากับบรรยากาศการปฏิบัติธรรมเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายจ้ะ แม่พินตอบมือยังคงประนมอยู่เพราะท่านยังไม่ได้บอกให้ลดมือลงแล้วข้อสามของศีลแปดล่ะเอาละ่ะทุกท่านลดมือลงวางไว้บนตักอาตมาจะบรรยายหนึ่งชั่วโมงกับส0สบนาทีถ้าประนมมือไว้เดี๋ยวจะเมื่อยแล้วก็จะเปลี่ยนจากท่านั่งคุกเข่าเป็นนั่งพับเพียบกำหนดว่าฟังหนอฟังหนอ ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทำตามที่ท่านสั่งยกเว้นแม่พินเพราะจะต้องตอบคำถามของท่านก่อนเว้นจากการประพฤติพรหมจรรย์จากแม่พินตอบแล้วจึงเปลี่ยนท่านนั่งและลดมือลงวางบนตักสรุปว่าการละความชั่วหรือศีลก็คือการไม่ประพฤติชั่วทั้งทางกายและวาจาทีนี้ก็มาถึง ทำความดีการทําความดีจัดเป็นสมาธิคือการที่ท่านมาปฏิบัติธรรมสัมมาปฏิบัติอบรมจิตใจทําจิตให้สงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่าเลื่อนลอยไปหาอารมณ์อื่นสมาธิจะเกิดได้ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานเหมือนที่อาตมาพูดไปแล้วว่าการทําความดีต้องละความชั่วเสียก่อน เพราะเหตุนี้เมื่อเราจะสมาทานพระกรรมฐานจึงต้องรับศีลก่อนเมื่อมีสมาธิปัญญาก่อเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็แก้ปัญหาชีวิตได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนของการฝึกอบรมจิตให้เกิดปัญญาจึงมีสามขั้นตอนคือศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกานี้มาในโอวาทปฏิโมก ซึ่งเป็นหลักคําสอนสำคัญหรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่25ข้อที่24หน้าที่39ถึง40อัตมาจะได้ ก, กล่าวถึงประวัติและความสำคัญของโอวาทปาติโมกในโอกาสต่อไป สำหรับวันนี้อาตามาจะบรรยายเรื่องความลับที่ถูกเปิดเผยเป็นความลับของอาตามาที่เก็บไว้นานกว่าสองร้อยปีตั้งแต่อดีตชาติที่อาตามาเป็นแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงกรุงแตกในปีพุทธศักราชส3สาสาเหตุที่อาตามาจะต้องเปิดเผยเพราะแม่ในอดีตชาติของอาตามา ก็มานั่งอยู่นาทีนี้ด้วยเข้ามากับแม่ของเขาแต่แม่เขาไม่ได้เป็นยายของอาตมายายของอาตมาในชาตินั้นได้ไปเกิดเป็นเทพพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งในสวรรค์หกเรียกว่าชะกามาพจรสวรรค์คือสวรรค์ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามหกชั้นได้แก่หนึ่ง จตุมหาราชิกา 2. ดาววดึง 3. ยามา 4. ดุสิตห้านิมมานารดี 6. ปรนิมิต ว, วัสวัตดีคนสมัยนี้ส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อนรกสวรรค์กันแล้วที่เขาไม่เชื่อเพราะเขาจะได้ทําชั่วได้สนิทใจแต่ถึงเขาจะไม่เชื่อเมื่อทําชั่วตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ในนรก ส่วนเรื่องชากามาพรจรสวรรค์หกชั้นนี้อยู่ในเทศกันแรกของพระพุทธเจ้าเรียกเป็นภาษาวิชาการว่าปฐมเทสนาชื่อธรรมจักกปะปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรมผู้ฟังเป็นนักบวชมีห้ารูปเรียกว่าปัญจวคีคือทันโกนทัญญะทันวัปปะทันพัทยะ ท่านมหานามะและท่านอัสชิอันนี้มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่สข้อที่13ถึง17หน้าที่17ถึง23ท่านบอกหลักฐานที่มาสารุปว่าสวรรค์มีจริงทีนี้ก็เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมนุษย์หรือสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ได้เกิดหนเดียวตายหนเดียว ยังอาตมาหนิประลึกชาติหนหลังได้เจ็ดชาติถึงได้รู้ว่าคนนี้เคยเป็นแม่ตัวคนนั้นเคยเป็นแม่ผัวผู้ปฏิบัติธรรมพากันหัวเราะเด็กคิดว่าท่านพูดเล่นอ้าวอย่าหัวเราะสิอาตมาพูดจริงๆนะเพราะคนเราไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นผู้หญิงทุกชาติหรือเป็นผู้ชายทุกชาติไปเมื่อไรกัน อย่างเมื่อสักครู่ก่อนที่อาตมาจะมาที่นี่มีโยมสามคนมาขอพบเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เดียวกันคนหนึ่งเป็นผู้ชายอีกสองคนเป็นผู้หญิงอายุก็ไม่มากเท่าไรหรอกแค่หกสิบตนตนทั้งสามคนอาจารย์ผู้ชายเป็นสามีของอาจารย์ผู้หญิงส่วนอาจารย์ผู้หญิงอีกคนยังเป็นโสดฐานะร่ารวย มีเงินฝากธนาคารเป็นสิบล้านเขาพากันมาทาไมรู้ไหมท่านถามทว่าไม่มีคนตอบท่านจึงตอบเองว่าอาจารย์คนที่เป็นโสดเขามาปรึกษาอาตมาเรื่องเนื้อคู่อาตมาก็ปฏิเสธบอกไม่ได้เดี๋ยวเป็นอาบัตในที่สุดเขาก็บอกว่าเขาหลงรักอาจารย์ผู้ชายที่เป็นสามีของเพื่อนเขาไปอินเดียมา รู้ธรรมเนียมอินเดียว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายขอผู้ชายแต่งงานและจ่ายค่าสินสอดด้วยเขาก็เลยบอกเพื่อนที่เป็นภรรยาอาจารย์คนนั้นทํานองว่าถ้ายกสามีให้เา้าเขาจะจ่ายสองล้านก็ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยเขียนเช็คเงินสดให้ส่วนอาตมาในฐานะที่นั่งฟังเขาถวายสองแสนเป็นเงินสด ให้ข่าในหน้าล้านชายอาตมาอีกหนึ่งพันผู้ฟังพากันยิ้มที่ได้ยินเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอาตมาก่อนนึกว่าฝันไปอยู่ๆมีคนมาถวายสองแสนเพราะนั่งฟังเขาตกลงซื้อขายสามีกันนี่ถักใครมาเล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟังอาตมาไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดแต่ที่เนี้วเรื่องเกิดกับอาตมาเอง มีหลานชายนั่งฟังอยู่ด้วยแล้วเงินที่เขาถวายก็ยังอยู่ที่กุฏิอัตมาก็แปลกใจว่าอาจารย์สูงวัยสามคนนั้นเขาเพียนหรือเปล่าก็เลยวานเห็นหนอให้ช่วยตรวจสอบญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นี้มีใครเคยมาปฏิบัติแล้วบ้างช่วยยกมือนหน่อยผู้ที่ยกมือเป็นสตรีสิบคนบุรุษสองคนท่านจึงถามว่า แล้วได้เห็นหนอกันหรือยังหรือว่าท่านที่มาวันนี้มีคนได้เห็นหนอแล้วช่วยยกมือแสดงตัวหน่อยสิไม่มีผู้ใดยกมือท่านจึงพูดให้กำลังใจว่ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอยากได้ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ยังแม่พิน คนนี้ได้เห็นหนอนนะอาตมาถึงได้ให้ช่วยสอนตั้งแต่ปี2 5 2 6ขอเล่าประวัติแม่พินหรือท่านจะเรียกว่าอาจารย์ยุพินก็ได้แม่พินนามสกุลบำเรศจิตการศึกษาจบแค่ป .4 เองนะแต่ป .4 ส, สมัยนั้นเก่งกว่าปริญญาตรีสมัยนี้เสอีกแม่พินอายุแก่กว่าอาตมาหลายปี เป็นลูกศิกรรมฐานของอาตมาตั้งแต่สมัยที่อาตมาอยู่วัดพรหมบุรีอาตมาสอนกรรมฐานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495ที่วัดพรหมบุรีเพราะบวที่วัดนั้นบวชได้5ปีก็สอนกรรมฐานได้แม่พินก็มาเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ปี2495 รุ่นเดียวกับโยมอ่อนใช่ไหมใช่จ้ะแม่พินตอบพร้อมประนมมือขึ้นตอบเสร็จก็ลดมือลงวางไว้บนตักโยมอ่อนตอนนั้นอายุเจสบกว่าแก่กว่าอาตมาร่วมห0สิบปีโยมคนนี้ก็แน่มากคือแกได้เห็นหนอในวันสุดท้ายแล้วก็ระลึกชาติได้เคยยิงเข้าตายพอมาปฏิบัติปวดหัวแทบระเบิด อาตมาก็ให้อดทนในที่สุดเกิดความรู้สึกว่าหัวระเบิดดังเพาะแล้วก็ระลึกชาติย้อนหลังไปได้เกือบเกือบหกสิบปีคือระลึกได้ว่าตอนแกอายุ18ปีได้ไปรับจ้างยิงคนยิงที่หัวเลยแล้วเห็นหนอก็ยังบอกอีกว่าคนที่แกยิงตายนั้นบัดนี้ไปเกิดที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุห้าสิบกว่าบ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหล็กที่เท่านี้อาตมาก่อจดไว้แกนั่งหลับตาเล่านะเพราะกำลังนั่งสมาธิอยู่พอรุ่งเช้าอาตมาก็เช่าเรือหางยาวไปเตรียมถูบเทียนแพรให้แกไปขอขมาชายคนนั้นไปการสองคน ปรากฏว่าเรือไปจอดหน้าบ้านตาคนนั้นเลยแกก็ไปขอขมาเขาเล่าเรื่องให้ฟังว่ารู้ได้อย่างไรแล้วก็มีอาตมาเป็นพยานตาคนนั้นพูดว่ายังไงรู้ไหมตาคนที่โยมอ่อนยิงตายในชาติที่แล้วของเขาแต่ยังเป็นชาติปัจจุบันของโยมอ่อนนะเขาหัวเราะและพูดว่าไม่เป็นไรหรอกลุง ลุงยิงผมตายเมื่อชาติที่แล้วไม่เป็นไรแต่ชาตินี้ลุงอย่ามายิงผมอีกก็แล้วกันก็จบเรื่องกันคือเข า, เอาโอโหสิกรรมให้ถ้าเขาไม่อโอโหสิกรรมโยมอ่อนต้องตายไปตกนรกนะเพราะไปข่าเขาตายนี่ญาติโยมเห็นหรือยังว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างจริงจังจนถึงขั้นได้เห็นหนอมันพลิกชีวิตได้เลยนะ ยังโยมอ่อนนี่ต้องไปตกนรกแต่เห็นน้อช่วยได้คือช่วยแก้กรรมได้คําว่าแก้กรรมต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องนะคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่ากรรมที่เราทําลงไปแล้วเราจะให้พระบ้างหมอดูบ้างแก้กรรมให้ได้มันจะไปได้อย่างไรล่ะคนสมัยนี้ไม่ฉลาดเลย กอบพระหรือหมอดูจะมารู้จักเราดีเท่าตัวเราเองหรือทำไมถึงคิดตื่นตื่นอย่างนั้นล่ะกรรมที่ทำลงไปแล้วมันแก้ไม่ได้อย่างเราฆ่าคนตายแล้วจะไปแก้ว่าไม่เด็กฆ่าจะได้หรือไม่ต้องไปถามพระหรือถามหมอดูก็รู้ว่าแก้ไม่ได้สมเด็จพระสังฆราชสา ท่านลิขิตไว้ในหนังสือพุทธศาสนาสุภาษิตเล่มหนึ่งหน้าก้าวว่ากะตัสนัติปติการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้หมายความว่าการกระทำที่ทำไปแล้วเราไปหวนกลับให้กลับกลายเป็นไม่ได้ทำไม่ได้เหมือนโยมยุพินไปตบหน้าเขาแล้วไปแก้กรรมให้เป็นไม่ได้ตบจะได้ไ้ย นายแม่พินตอบซิไม่ได้จ้ะแม่พินตอบพร้อมกับประนมมือขึ้นถูกต้องแต่สําหรับกรณีของโยมอ่อนการไปขอขมาคนที่โยมอ่อนไปยิงเขาตายแล้วเขาก็โอโหสิกรรมให้อันนี้คือแก้กรรมแต่ถ้าโยมอ่อนไม่ได้มาปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ไม่ได้เห็นหนอะถ้าอย่างนี้แก้กรรมไม่ได้ ท่านทั้งหลายโปรดเข้าใจตามนี้ทีนี้มาพูดถึงแม่พินแม่พินมีความเพียรมากมาปฏิบัติแบบมาเช้ากลับเย็นเพราะวัดปลมบุรีไม่มีที่ให้นอนพอปีสองพันหาร้อยอาตมามาอยู่วัดนี้ เขาให้มารักษาการเจ้าอาวาสเพราะเจ้าอาวาสมรณะภาพต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสกาะเป็นมา28ปีแล้วอาตมาก็มาตั้งสำนักกรรมฐานที่วัดนี้ลุกศิษย์ที่ปฏิบัติกับอาตมาที่วัดพรมบุรีก็ตามมาปฏิบัติที่วัดป่ามะม่วงนี่ส่วนที่วัดพรมบุรีเมื่ออาตมามาอยู่วัดนี้ ก็ไม่มีใครสอนหลวงพ่อชอบซึ่งเป็นสมภารวัดพรมบรุรีท่านก็ไปนเน้นเรื่องการสร้างโบสถ์สร้างศาลาแม่พินก็ย้ายตามมาปฏิบัติที่วัดนี้สมัยนั้นก็ยังไม่มีที่นอนต้องมาเช้ากลับเย็นโน่นปฏิบัติกันที่ศาลาโน่นท่านชี้ไปที่ศาลาไม้หลังใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่แม่ชีก้อนทองปานเนนเคยอยู่และมีเทวดามาชวนสวดมนต์ทุกคืนเทวดาให้แม่ชีก้อนทองมาบอกท่านว่าต้นพันศาปีพุทธศักราช2532ารสาศาลาหลังนี้จะต้องถูกรือ้อเพื่อสร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมขนาดยี่สิบคูณห้าสิบเมตรค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินแปดล้านห้าแสนบาท กองทัพปกจะมาช่วยสร้างอัตมาก็ฝากแม่ชีช่วยไปบอกเทวดาว่าถ้าไม่จริงดังที่เทวดาบอกอัตมาจะปรับเทวดาสองล้านท่านพูดยิ้มยิ้มผู้ปฏิบัติธรรมคิดตรงกันว่าพระอาจารย์ยิ้มสวยแม่พินบ้านอยู่ใต้วัดเวลามาวัดก็พายเรือทวนน้ำมาพายได้สิบว่า น้ำก็พัดถอยหลังไปห้าว่าใช่ไหมท่านถามแม่พินจ้ะแม่พินตอบพร้อมประนมมือขึ้นแต่ขากลับค่อยยังชั่วไม่เหนื่อยเท่าขามาแม่พินเป็นตัวอย่างของผู้มีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติกันอยู่ที่ศาลาหลังนั้นมุ้งลวดก็ไม่มียุงเก่ะชุมยากันยุงก็ใช่ไม่ได้เดี๋ยวจะผิดศีลข้อปานา แต่แมพินสมาธิดีมากนั่งนิ่งไม่สนใจว่ายุ่งจะกัดหรือไม่กัดคนอื่นๆทนไม่ไหวก็ปัดกันยายส่วนแมพินไม่เคยปัดมีอยู่วันหนึ่งนั่งได้ห้าชั่วโมงคนที่นั่งไม่ได้ก็มารุมล้อมดูแมพินนั่งทำไมเขาทึ่งดูรู้ไม้มก็แมพินใส่ชุดแมชีเสื้อขาวผ้าถุงขาว แต่เสื้อสีขาวกลายเป็นสีแดงคนอื่นๆก็เลยไม่เป็นอันปฏิบัติกันเพราะตื่นเต้นว่าแม่พินแสดงปฏิหารทำเสื้อขาวให้เป็นเสื้อแดงได้แม่พินทำอย่างไรล่ะเล่าให้ผู้ปฏิบัติทำฟังหน่อยสิแม่พินจึงเล่า ว, ว่าฉันถูกยุงกัดดูดเลือดก้นแดงทุกตัวเลย แล้วก็เกอะอยู่ที่เสื้อฉันเป็นร้อยร้อยตัวเลยทำให้เสื้อดูเป็นสีแดงแต่ฉันไม่รู้สึกว่าถูกยุ่งกัดเพราะจิตดิ่งลึกอยู่กับพองยุบพอฉันออกจากสมาธิรู้สึกคันยุบยับไปทั้งตัวเลยแผ่เมตตาให้ยุงและรู้ว่าฉันใช้กรรมกับเขาตอนยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมฉันฆ่ายุงไว้เยอะพอมาเป็นสิทธิกรรมฐานของหลวงพ่อ ฉันก็ไม่เคยฆ่ายุงอีกเลยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่เคยฆ่าก็เลิกหมดแต่ก็ต้องใช้กรรมคือถูกยุงกัดเพราะเราฆ่าเขาแล้วจะไปแก้กรรมว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้เหมือนที่หลวงพ่อท่านพูดไปเมื่อตกี้แม่พิลเล่าประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการปฏิบัติท่านพระครูช่วยเสริมว่า ที่อาตมายกตัวอย่างแมบพินก็เพื่อจะบอกญาติโยมว่าถ้าอยากได้เห็นหนอก็ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างแมบพินต่อมาแมบพินรู้ว่าจะต้องตายด้วยโรคมะเร็งภายในปีพุทธศักราช2525ก็มาบอกอาตมาว่าปีพุทธศักราช2525จะต้องตายอาตมากอดถามว่า อยากตายไหมแมพพินตอบว่ายังไม่อยากตายอยากมาช่วยหลวงพ่อสอนกรรมฐานเพื่อตอบแทนบุญคุณหลวงพ่อก่อนแล้วค่อยตายเขาเห็นแล้วว่าเป็นมะเร็งที่สมองอาตมาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ย้ายมาอยู่วัดเลยอาตมาจะช่วยรักษาต้องรักษาหนึ่งปีใช้ยาอะไรรักษาอยากโยมทราบไหย ไม่มีผู้ใดตอบท่านจึงตอบเองว่าใช้ธรรมโอสดรักษาแม่พินก็มาอยู่วัดตั้งแต่เดือนมกราคมเลยอัตมาก็รู้แล้วว่าถ้าไม่มาอยู่วัดกลางปีพุทธศักราช5 2 5แม่พินพินกลับบ้านเก่าแน่นอน อตาตมาก็รักษาโดยธรรมโอสดคือให้ทำกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนและในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนให้ปฏิบัติขั้นอุ ก, กฤษคือให้อยู่ใน อ, อิริยาบทสามท่านอธิบายขยายความอีกว่า อ, อิริยาบทหลักมีสี่คือยืนเดินนั่งนอนหรือจะเรียกว่า อ, อิริยาบทใหญ่ก็ได้ ซึ่งคู่กับเ อ, อริยาบทย่อยเช่นเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่แขนเหยียดขาแต่อาตมาให้แมพินอยู่ในเ อ, อริยาบทหลักสามไม่ให้ครบสี่คือยืนเดินนั่งไม่ให้นอนตลอดพรรษาถ้าทำได้ก็จะแก้กรรมที่เคยฆ่าสัตว์ได้แม่พินก็อดทนทำอย่างเกร่งครัด ตลอดสามเดือนไม่เคยนอนเลยเรียกว่าหลังไม่เคยถึงกระดานพูดให้รวบรัดตัดใจความคือแม่พินหายจากโรคมะเร็งเพราะความเพียรพยายามของเข้าเองอัตมาช่วยให้กำลังใจและช่วยแผ่เมตตาให้จากนั้นท่านจึงอธิบายเรื่องการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี่ ช่วยได้แค่ร้อยละยี่สิบเท่านั้นเองนะส่วนอีกแปดสิบตัวเองต้องทาเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอัตติอ ah ัตโนนาโถกหินาโถปารโสยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครละ่ะจะเป็นที่พึ่งได้นี่มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกบาลี เล่มที่25ข้อที่22สหน้า36สําำคัญมากนะเราต้องพึ่งตัวเองตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อนินายิโยมคงทราบดีอาตมาจะไม่ขยายความที่เนียญโยมอาจสงสัยว่าเวลาเราสวดมนต์พุทธทงงทังสระนังคัดฉามิธรรมัสศะนังคัดฉามิสังคังสระนังคัดฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสมเป็นสารณะจะหมายความว่าอย่างไรก่อนไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องพึ่งตัวเองพระพุทธองค์ทรงสอนขัดแย้งกันหรือเปล่าอันนี้อัตมาจะขอตอบว่าไม่ขัดแย้งกันแต่ประการใดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในครั้งพุทธกาลเวลาคนมีทุกข์ก็ไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแนะนาให้ปฏิบัติธรรมคือไปหาพระธรรมไปหาพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ให้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นไตรสรณะนะหรือที่พึ่งสามก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาลงที่ตัวเราคือพึ่งตนเองด้วยการปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกบาลี เล่มที่25หข้อ30หน้าห1อ็ว่าตุมเหหิกิจจังอาตตปังอักขาตาโลตถาคตาความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นอัตมาจึงขอสรุปในที่นี้ว่าพระลัตนตรตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งได้เพียงร้อยละยี่สิบอีกแปดสิบเราต้องพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นที่แมพินหายจากโรคมะเร็งก็เพราะเขาพึ่งตัวเองได้ร้อยละแปดสิบอัตมาช่วยเขาแค่ยี่สิบเท่านั้นท่านยำ้ำ